ทัศนะสู่ธรรมเรื่องติดตามรอยบาทพุทธะขณะล้างจานโดยอาจารย์โกวิทอเนกชัยเขมานันทะวันที่18มิถุนายน2538เราพบหลักฐานทางด้านบราณคดีนะครับว่ามนุษย์ในครั้งดึกดำบันเนี่ย เริ่มมีความคิดคำนึงถึงศาสนาธรรมถึงอำนาจที่ครอบครองจักรวาลชีวิตและสร้างสารสปปร์สรรพสิ่งเมื่อประมาณสี่พันกว่าปีที่แล้วมีภาพหินสลักเป็นรูปของสมัยนี้เราเรียวกว่าลูซีหรือโยคียืนในมือไข้ แล้วดูเหมือนจะลำพึงถึงอะไรเบื้องบนที่จริงนั้นคำว่าลือสีซึ่งเป็นภาษาสันสกฤตเช่นเดียวซึ่งเป็นศัพท์เดียวคําคำว่าอีสีเป็นภาษาบาลีเราผู้แสวงหาครับวัฒธรรมของการแสวงหาสิ่งสูงสุดเมื่อสี่พันปีนั้นได้กลารเป็นรากฐานทางอารยธรรม ของชนชาตทางตอนออกหรือที่เรียกว่าบุรพทิตมีข้อสังเกตซึ่งจะถือเป็นสิ่งน่าประหลาดพิสดารหรือเป็นเรื่องธรรมดาก็ย่อมได้ครับว่าพระศาสดาทุกพระองค์เท่าที่ปรากฏขึ้นในโลกนี้นะั้นล้วนแล้วจะเป็นชาวบุรพทิตทั้งสิ้นครับ แม้แต่องค์พระเยซูเขาเป็นชาวตัวนอกคือตัวนอกกลางถ้าเราค้นหาสาเหตุเล็กน้อยครับซึงหมายว่าไม่สู้สำคัญอะไรนะแต่เพื่อเห็นข้าเงื่อนว่าซีโลกตัวนอกนั้นที่เรียกบุรพทิศหรือที่เรียกเอเซียซึ่ ง, งน่าจะมาจากคำว่าอุสาคือแดนที่พระอาทิตย์ขึ้นก่อน อุด ม, มด้วยแสงแดดเจิดก้าในขณะทีโรคตวนตกหนาวเย็นโดยเฉพาะตวนตกตอนเหนือบุรพทิศเพื่ออำนวยให้ผู้คนใช้ชีวิตในกระแสธรรมชาติได้อย่างง่ายดายทั้งนี้ใช่ว่าประเทศอินเดียซึ่งเป็นแหล่งอารรมโบราณนั้นจะไม่มีความหนาวเย็นแต่แท้ที่จริงแล้วตอนเหนือของอินเดียหนาวจัดมาก แต่พวกฤาษีหรือผู้แสวงหาหรือที่เรียกว่าโยคีนะก็ได้ผู้แสวงหาสิ่งสูงสุดเหล่านี้ได้อาศัยวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับฤดูกาลเคลื่อนย้ายตัวเองเมื่อในเขตที่ตัวเองอยู่นั้นหนาวจัดเนื่องจากหิมะหรืออากาศหนาวก็อบยบลงใต้ใกล้เส้นศูนย์สูตรเมื่อร้อนจัดก็ขึ้นเหนือ วนเวียนอยู่อย่างนี้ตลอดชีวิตกระแสวัฒนธรรมถูกสร้างสรรค์ขึ้นจากการเคลื่อน ย, ย้าย<ม>การพเนจรแท่ที่จริงถ้อยคำที่เรียกภิกษุในภาษาสันสกฤตนั้นภิกขุหรือภิกษุนั้นเป็นศัพท์เดียวคำเบกาซึ่งแปลว่าผู้ขอแต่ผู้ขอในที่นี้นั้นมีหลายประเภทมากครับประเภทที่ขอก็ ร่างกายที่คนพิการหรือบางเพศมีการตอบแทนเดี่ยววันนี้พกบ้างปฏิกาหกบ้างจะร้องเพลงให้ฟังแต่สำหรับภิกษุผู้ขอนั้นเป็นผู้ขอที่พิเศษกว่าประเภทอื่นขอด้วยอาการสงบสันติเมื่อไม่ได้รับอาหารก็ไม่แสดงอารมณ์รักหรือชังหรือโกรธชอบหรือไม่ชอบ ผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับวิถีชีวิตคนตนออกโดยเฉพาะชาวตนตกราจุะง ง, งงก็ได้ครับอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยเซเวนสี่มหาวิทยาลัยเจ็ดคาบสมุทรซึ่งได้รวบรวมนักศึกษาจากทุกๆประเทศไว้เร่ร่อนไปเจ็ดคาบสมุทรู่ครั้งหนึ่งอาจารย์ผู้สอนซึ่งเป็นชาวตนตกได้แสดงมติ ฉากาวิถีชีวิตของคนตวนออกให้นักศึกษาตวนออกฟังในที่นั้นมีนักศึกษาไทยอยู่ด้วยครับผมทราบมาว่านักศึกษาไทยไม่อาจตอบโต้ข้อเยาะเยอยนั้นได้เมื่ออาจารย์เขาเยาะเยอยว่าทางตวนออกมีบุคคลที่น่าอดสูอยู่เพศหนึ่งก็คือก้อนผมผมแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีเหลือง ต, ตื่นเช้าก็ถือหม้อ เขาใช้คำว่ามออเขาไม่รู้จักเขาคือบาทออกไปเที่ยว ข, ขออาหารแล้วคนชาวบ้านอาหารให้แล้วยังยกมไ้ไหวกราบแทะเท้าซึ่งเป็นเรื่องน่าอับอยยศมากเขามองด้วยสายตาของนักเศรษฐศาสตร์มองด้วยสายตาของความเป็นธรรมตามทัศนคของเขาในชั้นเรียนนั้นมีนักศึษาญี่ปุ่นซึ่งเป็นชาวพุทธเขาลุกขึ้นตอบโต้ทันทีเป็นเหตุให้ อาจารย์เจ้าของวิชานั้นเงียบงงและเริ่มต้นศึกษาใหม่ต่อวิถีชีวิตทัศนคติความคิดนึกของคนตนออก <Okay. S 1> นักศึกษาญี่ปุ่นคนนั้นบอกว่าเป็นความเชื่องคนตนออกที่ว่าผู้ให้จะต้องขอบคุณผู้รับด้วยไ ม, ไม่ใช่ว่าผู้ผู้ผู้รับจะต้องขอบคุณผู้ให้อย่างเดียวดังที่เราเห็นกันในบ้านบางเรานะครับว่า เราให้อาหารพระให้จีวรให้เสนาสนะอย่างดีแล้วเราก็ให้การสักการะบูชาทั้งนี้เพราะเราเชื่อว่าวิถีชีวิตซึ่งไม่ครอบครองอะไรเลยเป็นวิถีชีวิตที่บริสุิ์ที่สุดผมออกบทใหม่ๆเมื่อสามสิบปีที่แล้วนะครับคําถามแรกที่ผมถามท่านอาจารย์ส่วนโมผมถามท่านสั้นๆว่าตอนนั้นผมยังเป็นครูสอนหนังสืออยู่ ถามท่านว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยจริงๆแล้วคือทำอย่างไรผมจําภาพวันนั้นได้ท่านพายมือออกทั้งสองข้างแล้วท่านบอกผมว่าไม่เอาอะไรเลยซึ่งไปนเดแ๋ยวผมสะทกสะทาและกลัวมากกับต่อการไม่เอาอะไรเลยเพราะตอนนั้นฐานความเข้าใจชีวิตยังไม่พอที่จะรับที่จะเผชิญหน้ากับถ้อยคําอันจงเป้าที่สุด ไม่เอาอะไรเลยฉันว่าอย่างนั้นผมตกใจไปไปคิดอยู่หลายตลกทีเดียวครับแต่วันนี้ผมคิดว่าอาการตกใจผมหายไปผมเริ่มทราบซึ่งต่อความไม่เอาอะไรเลยบนทวันนี้รถซึ่งโปโลปเกงผมไปเครื่องเสียอยู่กลางถนนใหญ่ในชั่วโมงที่ traffic jam เต็มที่ซึ่งเป็นเรื่องที่ชวนร้อนรุ่มมากนะครับเพราะรถข้าขงหลังก็บีบแฟรไล่ แล้วผมไปคนเดียวด้วยหม้อน้ำมันรั่วแล้วก็คอนเสิร์มันระเบิดขึ้นมาควานาันขโมงรถข้างหลังก็หลบกันเป็นแถวผมก็ทำท่าจะตกใจเหมือนกันครับเพราะไม่รู้จะทำไงแต่ในสุนมันนั่งเฉยไม่เอาอะไรสักอย่างดูเหมือนคนบ้าครับแต่นี่เป็นสิ่งเดียวที่เราทำได้ในภาวะที่รับขันจิตใจไม่เหมาะสมที่จะตัดสินใจทำอะไรเลยเราต้องกลับไปสู่ ศูนย์กลับไปตั้งหลักใหม่ดูเหมือนว่าการกลับไปสู่หลักเดิมเนี่ยได้กลายเป็นวิถีชีวิตของใครบางคนนะครับที่หวังจะเจริญขึ้นในทางธรรมปฏิบตัติหรือผู้ที่หวังที่จะไม่ปรารถนาที่จะมีความทุกข์ทรมานอีกจริงอยู่นะครับการไม่ทําอะไรเลยในะแง่หนึ่งความไม่รับผิดชอบการไม่กล้าตัดสินใจ แต่แท้ที่จริงนั้นมันมีมิติความหมายที่ลุ่มลึกอยู่ในการไม่เอาอะไรเลยถ้าคืนหนึ่งคืนใดที่เราเผชิญปัญหาหนักที่สุดนะครับและปัญหาที่หนักที่สุดนั้นมันหนักอยู่ในครองของความรับรู้ดูเหมือนว่าอินทรียศาสตร์ของเราเข้าไปติดข่ายอะไรบางสิ่งคือปัญหาที่หนักก็คือปัญหาที่เราปรงไม่ตก ดังนั้นปัญหาธรรมชาติปัญหาจะมีอสองชั้นปัญหาด้านนอกซึ่งเป็นเหตุให้เราคุ้นคิดอยู่ด้านไหนแต่ถ้าข้างในดิ้นรนอยู่ขุรักอยู่ติดตาข่ายของความคิดยุ่งอยู่ความสามารถในการแก้ไขปัญหาด้านนอกเราจะน้อยลงดังนั้นผมว่าเป็นความฉลาดที่ไม่เอาอะไรเลยด้านไหนแล้วเริ่มต้นที่ศูนย์แล้วก็เริ่มใจตรอง ที่จะแก้ปัญหาอย่างมีลำดับและมีระเบียบนี่เป็นตัวอย่างเล็กน้อยเท่านั้นครับสี่พันกว่าปีมาแล้วนะครับที่ศา ส, สนาธรรมได้ก่อร่างสร้างขึ้นอย่างเป็นรูปร่างขึ้นมาให้เรารับทราบในทุกวันนี้มีเรื่องชวนประหลาดใจตรงที่ว่า พระาศาสดาผู้รู้แจ้งได้เสด็จมาสู่โลกนี้เป็นช่วงๆราวกับมีหมายกำหนดการไว้อย่างไรอย่างนั้นผู้สศีห้าพันปีที่แล้วมานั้นตรวศาสตร์ของอินเดียได้บันทึกหรือรับรู้กันว่าพระกฤษณะเป็นองค์ศาสดาที่ประชาชนรักใคร่นับถือมากที่สุดตรงถือกำเนิดที่เมืองมุตราศูนย์กลางของฮินดู หลักคำสอนคริสตานั้นก็คือหลักที่ในทุกวันนี้ก็ยังมีชีวิตชีวาอยู่อีกห้าร้อยปีถัดมาพระพุทธเจ้าที่ชื่อสักยมุนีก็ปรากฏขึ้นอีกห้าร้อยปีก็ถึงยุคสมัยของพระเยซูพระเยซูครส์ Christ. อีกห้าร้อยปีพระนบีมูฮัมหมัดก็เสด็จมา และอีกห้าร้อยปีนานักครูเทพของศาสนาซิกช่วงสุดท้ายนี้ก็อีกสี่ห้าร้อยปีนะครับและใ น, นช่วงนี้จึงมีผู้ประกาศตนเป็นพระศรีอารยาเมตรใจหรือแสดงท่าทีเป็นผู้นำนศาสน า, ามากซึ่งเรารู้กันดีนะครับว่าเป็นผมงทดเป็นช่วงวิกฤตของศัทธาด้วยนี่ผู้เปรียบเทียบว่า ช่วง5้าร้อยปีของการปรากฏกายขึ้นของภาศา์ดานั้นคล้ายๆระบบก่อกำเนิดของสุริยะระบบสุริยะจักรวาลจะมีเป็นช่วงจังหวะจังหวะพอดีถ้ามองแง่นี้ดูเป็นเรื่องประหลาดนะแต่ถ้าเราไม่มองแง่นี้ก็แล้วไปครับมันไม่ได้สำคัญตรงความแปลกประหลาดที่ประสาสดาเสด็จมาในช่วงห้าร้อยปีแต่ความสาคัญอยู่ตรงที่ว่าโรงท่านนั้นเด็จมา กล่าวสอนอะไรปัญหาที่ท่วมทับจิตใจในมนุษย์เราอยู่นะครับก็คือเราค้นพบว่าตัวเราไม่สมบูรณ์เรามีปัญหาทางด้านอารมณ์เรามีโรคทางกายซึ่งถ้าเรารู้ตัวเป็นโรคทางกายเราก็ไปที่โรงพยาบาลเราสามารถที่จะกำจัดโรคนั้นได้บ้างหรือทุ่เรานะครับ แต่ท้องะนั้นเราพบว่ามันมีโรคร้ายอีกชนิดหนึ่งที่เรารุมทางด้านจิตใจของเราบางทีร่างกายเราสุขภาพแข็งแรงดีแต่ว่าจิตใจเราไม่สบายเรารู้สึกมีอะไรบางสิ่งซึ่งรบกวนอยู่ลึกๆเบางทีเพื่อนฝูงหรือคนที่ ร, รักคนใกล้ชิดเราอาจจะไม่สังเกตเห็นหรือสังเกตเห็นก็ได้เป็นไว้เออ มันขึ้นอยู่ความเฉลียวฉลาดของคนที่อยู่ใกลเราด้วยรวมไปถึงความเฉลียวฉลาดของเราในการซ่อนเร้นปัญหาของเราไว้แต่เราทุกคนปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเรามีปัญหามีคนน้อยคนมากกับที่กล่าวประกาศว่าฉันไม่มีปัญหาเลยแล้วแต่ใครสักคนหนึ่งคืนประกาศอย่างนั้นเขาเป็นคนที่น่าสงสัยว่ามีอะไรผิดปกติอยู่เปล่าโดยหลักธรรมในวุฒิศรสนาแล้ว คนทุกคนครับต้องถือว่าวิปลาสพูุทธศาสน า, าบ้านก็ อ, อกหมายถึงว่าคนทุกคนเนี่ยเป็นบ้าทั้งนั้นครับ อ, อนี่หลักหลักธรรมในพุทธศาสนานะครับแม้แต่พระโสะดาบันพระอริยบุคคลชั้นต้นนี้ยังถือไม่สิ้นวิปลาสพูดด้วยภาษาชาวบ้านนะครับพระโสะดาบันจนอนาคามียังถือยังอยู่ในเกณฑ์บ้า มีบุคคลปเพทเดียวโดยหลักธรรมในวุฏสาสารว่าเป็นผู้หายบ้าหายวิปลาญจริงคือที่เราเรียกว่าพระอาหารหันต์ขีณาสกดังนั้นโดยหลักเกณฑ์ น, นี้ทำให้เราสำรวจตรวจสอบว่าตราบใดที่จิตใจของเรายังมีความทุกข์มีความเร่าร้อนอยู่ภารกิจในการเดินทางในการปฏิบัติของเรายังมีอยู่ทั้งวมด น, นี้เป็นเกณฑ์ชี้ให้เราเห็นว่า ความประมาทนั้นเป็นสิ่งที่ใช้ไม่ได้ศันสนาธรรมที่ตกมาถึงมือของเราในทุกวันนี้นะครับได้ผ่านกระบวนการทางสังคมมาแล้วทั้งสิน้นกระบวนการทางสังคมนั้นประกอบไปด้วยสงครามภัยพิบัติอาชยากรรมต่างๆนานาจนกล่าวได้ว่าสิ่งที่เรารับรู้ต่อคำสอนของพระเจ้านั้นเป็นเพียงศาสนาของประชาชน ส, สนาในความรู้สึกนึกคิดของเราผมพูดภาษาอังกฤษว่าเป็นอพิล่าศาสนาปอ๊อปคือศาสนาในความรู้สึกนึกคิดของเราเองดังนั้นศา ส, สนาในความรู้สึกนึกคิดของเราเองอาจจะไม่ตรงตามที่พระเจ้าสอนเลยก็ได้นะครับนี่คือข้อเท็จจริ ง, งอันหนึ่งอีกประการหนึ่งนั้นเราเพศละไวจะเป็นตัวบอกว่าเราเข้าใจศาสนาตามระดับของเพศละไวนะ ถ้าเราเป็นครือหักเป็นชาวบ้านเราอาจจะเข้าใจศาสนาธรรมระดับหนึ่งแต่ถ้าเราออกบวชศึกษาพระธรรมให้กว้างขวางจนกระทั่งเข้าสู่วิปัสนาธุระถ้อยคำนี้อาจจะฟังแปลกสำหรับบางท่านในพุทธศาสนาถือว่าชาวพุทธมีธุระอยู่สองประการเท่านั้นอย่างอื่นไม่ได้ธุระคือคันธะธุระสการแรกก็คือ การศึกษาพระปริยัติธรรมศึกษาคำแนะนาสั่งสอนของพระเจ้ารวมทั้งอาจารย์โบราณอาจารย์อัตกถาอาจารย์ที่พยายามที่สร้างสรรผลงานไว้ในอดีตนี่ถือเป็นคันธุระเป็นหนึ่งในสองของธุระในพุทธศาสนาอันที่สองคือวิปัสสนาธุระคือธุระในเรื่องของการเจริญวิปัสสนา คราำนี้ฟังดา่าฟังแล้วก็ชวนหลับเนื่องจากการเวลาและเนื่องจากความแปลเปลี่ยนของศัพท์ความหมายผมชอบที่ใช้คำวิทัศนามากกว่าครับจริงๆวิปัสสนาเป็นบาลีวิทัศนาเป็นภาษาสันสกฤตซึ่งแปลว่าการเห็นแจ้งกระจกดังนั้นเรามีธุระที่สำคัญในชีวิต ในฐานะบป็นชาพุทธนะครับไม่เพียงแต่ธุระเรื่องธม ห, หากินธุระเรื่องเลี้ยงลูกส่งเสียลูกได้เราเรียนจัดการแต่งงานให้หางานให้หรืออะไรสารพัดสางเบรธุระในการสงเคราะห์เครือญาติแต่ธุระที่สําคัญมากในฐานะบป็นชาพุทธนะครับก็คือวิปัสสนาธุระที่นู้เราศึกษามากขึ้นเราไปฟังธรรมหรือเรามีครูบาอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิเมื่อเราฟังเรื่องวิปัสสนาแล้ว เราจะเห็นความพิสดาร ล, ล้ำลึกของศาสตร์ที่เรียกวิถทัศนาหรือวิปัสนานี้จนบางครั้งเราท้อแท้ไปเลยก็มีครับพอมีการเข้าชานหนึ่งฌานสองฌานสามมีมีเรื่องลิตเรื่องอิทธิลิตปาฏิหาริย์เรื่องอภิญญาศึกษาเข้าในสุดละงงเหมือนกันครับนักเข้าเข้าศาสนธรรมอะไรกลายเปนอะไรบางสิ่งซึ่งดีเลิศแต่ฉันไม่อยากยุ่งด้วยมันดีเกินไปก็ได้ครับเพราะฉะนั้น คนทั่วไป ย, ยึดถือศาสนธรรมในแง่ของวัฒนธรรมเช่นเราแสดงตนเป็นพุทธมามกะเรามีพิธีกรรมแบบชาวพุทธแต่เราไม่เจริญวิปัสนาตรงนี้เป็นภาวะที่แปลกมากครับทั้งทั้ความหมายจริงๆของชาวพุทธคือผู้ที่เจริญวิปัสนาคือผู้ที่ต้องเห็นแจ้งกระจัดต่อธาตุต่อขันต่ออายุนะอะไรสารพัด เพราะว่าศาสนาของประชาชนนะครับไม่ว่าเป็นศาสนาคริสต์มุสลิมอิสลามหรือพุทธหรือซิกส์หรือศาสนายุคโบราณซึ่งตายจากไปแล้วนั้นโดยรูปแบบวัฒนธรหมสอนเหมือนๆกันทั้งนั้นครับซึ่งเรารู้กันดีสอนไม่ให้คนทําชั่วสอนไม่ให้ทำบาปสอนไม่ให้เบียดเบียนและสอนให้ทําความดีซึ่ง น, นี้เหมือนกันถ้าเช่นนั้นพุทธศาสนามีความหมายอะไร ยังมีปรากฏการณ์ในต่างประเทศนะครับเช่นประเทศที่บูชาเสรีภาพเป็นหลักอย่างอเมริกาเนี่ยในโรงเรียนเขาไม่สอนสาศาสนาหนึ่งาศาสนาใดแต่เขาสอนสาศาสนาของประชาชนาศาสนาที่สังเคราะห์ขึ้นจากความรู้ด้านจิตวิทยาความรู้จากนักประวัติศาสตร์แล้วเอามาสอนนั่นคือเขาไม่ไสัมพันธ์การสอนสาศาสนาธรรมไม่ได้ทำหน้าทีการตรัสรู้หรือการเห็นแจ้ง อย่างของเราชาวพุททุกคนจะผูกพันกันกันกบ เ, เหตุการณ์คืนสำคัญที่สุดที่ใต้ต้นโพของเจ้าชายพระองค์หนึ่งเพราะถ้าไม่มีคนคนนี้เราคงไม่ได้พบ ก, กันในห้องนี้นะและไม่มีเรื่องอะไรต้องมาพูดกันด้วยครัก็จะพูดที่อื่นพูกคนที่อื่นดงนั้นพุทธศาสนาได้ถือกำเนิดขึ้นในอินเดียจากการจรับสรู้ของะมหารุษหนึ่ง ไม่คืนที่สําคัญที่สุดคืนหนึ่ง <Okay. S 1> พูดอย่างนี้ก็หมายว่าเราเพิ่งเล็งไปสู่แหล่งกําเนิดของศาสนาที่จริงนั้นพุทธศาสนาในครั้งอดีตเริ่มต้นขึ้นในอินเดียตอนเหนือพุทธศาสนาเป็นศาสนาเล็กๆอยา่าเข้าใจผิดนะครับในทุกวันนี้เราสึกพุทธศาสนาแพร่ไปทั่วโลกแล้วผจ้ช่องเรายิ่งใหญ่ฝรั่งมังคาห์นมาบวชมาศึกษาปฏิบัติ แต่ครั้งของการ ก, าก่อกาเนิดจริงๆนั้นศา ส, สนาศา ส, สน า, สสนาเล็กๆศาสนาหนึ่งเป็นศาสนาประจำท้องถิ่นในรัฐพิหารนะครับหลังจากคืนดับสรุแล้วก็ผู้ชอบก็เริ่มเผยแผ่สิ่งที่ท่านเห็นแจ้งสิ่งที่ท่านเข้าถึงด้วยความเชื่อมั่นในพระไทยว่าข่าวสารอันนี้จะถึงหูเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกร่วมชีวิตและจะเกิดความสุขสวัสดีแก่เขาผมถามจริงได้ไหมครับว่า ผลขการเป็นชาวพุทธของเรานั้นทําให้ชีวิตเราดีขึ้นจริงหรือเปล่านี่เป็นคําถามที่อาจจะเคร่องเครียดจริงๆผมอยากจะถามสอส อ, อยากจะถามรัฐมนตรีอยากจะถามผู้นํำทั้งหลายว่าคุณกล้าปฏิญาตัวเป็นผู้นําของผู้คนคุณเชื่อมั่นจากอะไรจากสมองชานฉลาดหรือคุณมีขาวอันประเสริฐที่จะบอกเพื่นมนุษย์ สมมติถ้าเราพบขึ้นมนุษย์เมื่อเราไม่มีธุละปะบังอะไรเลยเราไม่ต้องการอะไรจากเขาถ้าเราอยากจะสื่ออะไรเราอยากจะบอกอะไรเขานะครับหรือเรามีลูกเราอยากจะบอกอะไรมากที่สุดให้ลูกรับทราบอย่างดีสุดของเราผเพื่อนพ่อหรือแม่ก็บอกว่าอยากให้ลูกรู้ว่าพ่อรักเธอนะเท่า น, นี้ไม่ใช่ข่าวประเสริฐนะครับข่าวประเสริฐที่สุดนั้นเราเห็นได้ชัดว่า ในวันที่พระสาวกหกสิบรูปนะครับซึ่งเป็นผู้รู้แจ้งเป็นผู้เข้าถึงในระดับสูงสุดเช่นเดียวกับที่พระเจ้าเข้าถึงครั้งนั้นเองที่ท่านสั่งพระสาวกให้ออกจาริปไปทุกมุมโลกแยกย้ายมันอยา่าซ้ําทางกันคือทางหนึ่งต้องหนึ่งคนเพื่อประหยัดคนที่สุดนะครับเพื่อกระจายข่าวสารสําคัญนี้ข่าวสารสาคัญนี้ครับ ซึ่งพระองค์ท่านได้รับมาในคืนเพ็ญเดือนหกวิสาขบูชาอะไรครับวันวิสาขานั้นข่าวสารนั้นเกิดขึ้นอย่างกระจัดชัดต่อท่านเนื้อท่านถึงที่สุดของวิวัฒนาการของความเป็นมนุษย์ในตัวท่านและด้วยความมั่นพรไทัยนั้นนะครับที่ทำให้ข่าวสารนั้นแพรก่กระจายไปจนจราบถึงวันนี้ในคำถามผมก็คือว่าพระพุทธเจ้าท่านรู้อะไรครับ ท่านไปเห็นอะไรดีจกนกระทั่งเกิดการจาลิกไปทั่วทุกแห่งจงกนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายและยังพร่ำเตือนให้เราไม่ประมาทอีกศูนย์กลางคำสอนของพระเจ้านั้นนะครับเราทราบกันดีว่าอยู่ที่การเจริญสติปัฏฐานแต่โครงสร้างรวมๆคำสอนอท่านมากมายก่ายกองจนเ 8, 000, 000, ราเรียกว่าแ4ด0มืี่พันพทธรรมขันธ เรียนก็ไม่หวาดไม่ไหวนะครับทีนี้ผมจะนำเข้าสู่การวิเคราะห์ว่าในคืนใต้ต้นโพ ค, คืนนั้นนั น, นครับอะไรเกิดขึ้นกับท่านที่เปลี่ยนแปลงท่านจากความเป็นเจ้าชายนักพลศึ่งอดีตเป็นเจ้าชายเล่ร่อนเมื่อกลางเดือนที่แล้วผมบรรยายในเรื่องของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะใน ฐานของนักบวชหรืออีกชื่อหนึ่งเรื่องสักยมุนีนั้นเข้าสู่ทางสายกลางด้วยประสบการณ์ทางดนตรีผู้เคยฟังแล้วคงจำได้แต่ผู้ไม่เคยฟังอาจฟังแปลกตรงที่ว่าเ่ท่านทรมานจนถึงที่สุดจนเกิดความรับทราบว่าไม่มีใครทรมานได้มากกว่านี้อีกแล้วนะทันใด น, นั้นประสบการณ์อันจัดเจนของท่านในเรื่อง การเล่นเครื่องสายดนตรีได้ไ ด, ได้ฟ้องตัวเองขึ้นมาประสบการณ์เก่าของท่านที่เคยเชี่ยวชาญทํานาญในดนตรีนั้นบอกท่านว่าดนตรีที่ขึ้นสายตึงเกินไปนั้นมันจะไม่เพลาะจะหย่อนเกินไปนั้นไม่เพลาะดังนั้นสายดนตรีที่ถึงพอดิบพอดีเท่านั้นเสียงจึงกลางหวานและไพเราะสนโอหูดีผู้เป็นนักดนตรีจะเข้าใจเรื่องนี้ได้ดีมากครับดังนั้นเมื่อผู้เจยน ประสบการณ์นั้นฟ้องกันมานั้นทำให้ท่านเตือนสติท่านในสุดท่านเริ่มกินอาหารเริ่มเข้าสู่ทางกลางๆงทางกลางๆงนี่แหละครับที่ทําให้เกิดหลักคําสอนที่เรียก อ, อริมักในองค์แปดนั้นผมยินกล้ากล่าวได้ว่าพระเจ้าเข้าสู่วิถีทางธรรมนะครับวิถีทางของมัชเชนธรรมหรือทางสายกลางด้วยประสบการณ์ทางดนตรี แต่ไม่ใช่ประสบการณ์ดนตรีล้วนๆโดยมีเรื่องอื่นนะหมายความว่าสิ่งนั้นได้เป็นบาดฐานที่ที่เมื่อท่านเข้ามในลันชลาแล้วนะครับมานั่งที่ใต้ต้นโพนั้นในช่วงหัวข้ามนั้นท่านไปจนมาเราทราบดีผมเล่าทบทวนพระฤารีจากชีวิตของความเป็นเจ้าชายจนมาถึงใต้ต้นโพนั้นนะแล้วใกล้ลุ่งใกล้สว่างคืนนั้นนะครั บ, รร อ, นนะรบอะไรบางอย่างเกิดขึ้น กับองค์ท่านองค์ท่านเข้าถึงอะไรบางสิ่งซึ่งเกินกว่าที่จะพูดออกมาต่อจากนั้นพระอริยบทแรกก็คือการลุกขึ้นเดินจงกรมแต่การเดินครั้งสุดท้ายนี้ไม่เหมือนการเดินครั้งก่อนๆเพราะอริยบทก่อนหน้านี้ไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนของอดีตเจ้าชายนั้นท่านยังไม่รู้ครับท่านยังไม่ใช่พระเจ้าท่านเดินด้วยของ ไม่รู้นั่งด้วยความไม่รู้สอนคนอื่นด้วยความไม่แน่ใจแต่าอาริบทครั้งล่าสุดของการเดินจงกรมที่อินเดียที่พุทธกยาที่สถานที่สักดิ์สิทธิ์เาเป็นเครื่องหมายเลยนะฮะเป็นดอกบัวด้ว่ามีสิบสี่เก้าเขาไม่เข้าใจว่าทําไมสี่เก้าแต่เป็นสัญลักษณ์ของอริบทแรกของพุทธครั้งหลังนี้ท่านเดินด้วยความรู้สึกตัวทั่วพร้อมหมดนะครต่อมาในพระสูตรบางแห่งบอกว่า เมื่อพราหมณ์คนหนึ่งถามหลงท่านว่าพระองค์ปฏิบัติโลกุตระธรรมอย่างไรโลกุตระธรรมแปลว่าทำเหนือโลกนะทูตเจ้าทรงตอบตสั้นๆว่าพราหมณ์เอ่ยวันหนึ่งหนึ่งเรายืนเราเดินเรานั่งเรานอนพราหมณ์เขาก็งงครับ เ, เขาก็ไม่เข้าใจแล้วแถมหัวเราะด้วยว่าก็ชาว บ, บ้านเขาก็ยืนเขาก็เดินเขาก็นั่งเขาก็นอนแล้วจะบอกเป็นโลกรุตระได้ยอย่างไรเหนือโลกได้อย่างไรเหนือโลกหมายเหนือทุกเหนือความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงนะครับ พระเจ้าตรัส ว, ว่าก็แต่ว่าเมื่อเราเดินเรารู้เมื่อนั่งก็รู้ธรรมดาคนทั่วไปจะไม่รู้ตัวครับพพรง่าย้ว่าบุติชนธรรมดานั้นมีชีวิตอยู่อย่างไม่รู้สึกตัวครับแต่สําหรับพุท ธ, ธแล้วเป็นการมีชีวิตอยู่อีกแบบหนึ่งดังนั้นพระอริยบทครั้งสุดครั้งแรกของการเดินจงกรมนั้นได้กลายเป็นรหัสคําสั่งสอนชาวพุทธมาตั้งแต่บัดนั้นจนถึงเวลานี้ เราเรียกว่าเดินจงกรมไม่ใช่เดินวนเปนวงกล ม, กลมนะครัจังมะคำนี้เป็การบริหารน่องคือเดินเล่นที่จริงคือเดินเล่นครับแต่เป็นการเดินที่รู้สึกตัวพุทธศาสนาอิกายเซนได้นำสิ่งนี้มาธิบายอย่างเข้มข้นโดยสร้างศัพ์ภาษา ญ, ญี่ปุ่นว่าจิกันตาซาเดินเพื่อเดินนั่งเพื่อนั่งยืนเพื่อยืนขอเราพิจารณาในชีวิตจวันของเรานะครับว่าเราทุกคนนี่ยังมี ความรู้สึกคล้ายคลึงกันไหมครับตองเรียกว่าเมื่อเราเห็นดาราภาพยนตร์หรือบุคคลที่เรารักมากเราก็ติดตามติดตามข่าวหรือว่าบางทีอยากจะติดตามเดินจริงๆตามหลังไปด้วยซ้ําไปในข้อดีตพุทธการก็เหมือนกันกับเราครับมีพระกิจสุคนคนหนึ่งชื่อวกกะลิเขาฟังพระเจ้าแล้วก็ชอบในน้ําเสียงในอะไรสักว่าติดอกติดใจแล้วก็ก็ติดตามไปเรื่อยหนักเข้าหนักเข้าบวชเลยครับ แต่ว่าบวชเพื่อจะได้ติดตามไปชื่นชมพระลูกชอมน้ำเสียงอะไรทุกอย่างในที่สุดด้วยความเฉลียวฉลาดและปรัชนาดีของพระพุทธองค์นะครับ mm hmm. ก็ mm hmm. เอตโรจนก่ะทั่งเดน้การเป็นศัพท์อ mm ัปเพหิวักะลิขเดยดยินะคําำว่าอัปเปหิแปลว่าไปให้พ้หรือท่านทรงขับไล่ครับ mm hmm. ทางนี้เพื่อจะเตือนสำนึก ท่านกตรัสสัพพุตพธที่หรือลั่นโยธรรมังปัสติโสมังวสติผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตแต่ตาขดดังนั้นธรรมะนั่นแหละคือาคตาขดตัวท่านคือตัวธรรมะและ้ว่าบอกว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นย่อมเห็นตแต่ตาขดงั้นต่อให้เกาะชายจีวร อ, อยู่ร้อยปีก็ไม่รู้จักท่านท่านว่าอย่างนั้นไหมให้คํานี้มันน้อยคำทึ่งลึกซึ้งและเต็มไปด้วยปรัชญาดีแต่ว่าเล่นเอาเ พ, พกกระวักลิ จะปวดไปยืนร้องห้าอยู่ที่เดียวครับเพราะว่าถูกไล่ด้วยสายตาวัคคลี่นั้นหลงไหลในในรูปโฉมรูปลักภายนอกจิตใจก็ไปแขวนไปฝากไว้ตรงนั้นเช่นเดียวกับหนุ่มสาวหรือพ่อคนแม่คนนะครับถามว่าจิตใจอยู่ที่ไหนเรารักอะไรมากจิตจะอยู่ที่นั่นเรารักผู้ชายหรือผู้หญิงคนไหนเราก็ฝากหัวใจไว้ที่นั่นเมื่อเขาปฏิเสธไม่รับฝากหัวใจเราก็หัวใจแตกสลาย เกียรติดูไหมฮะหรือแม้แต่เรามานั่งในห้องเนี่ยเราสนใจจุดไหนจิตเราอยู่ที่นั่นจิตไม่มีรูปร่างไม่มีฟอร์มไม่มีอะไรครับมันใส่ใจเรื่องใดมันก็ไปสมอยู่ตรงนั้นทันทีจิตมันไม่เหมือนวัตถุเป็นก้อนอยู่ตรงไห น, นเราไม่เคลื่อนาแต่ข้างในมันเคลื่อนไหวตลอดเวลาบางครั้งเราอยากติดตามครูบาอาจารย์